เอาใครอยากกูเผลอนามาครึ่งชั่วโมงเจ้าสอนทางเดินได้ไม่ได้บดนนะที่วีม่ได้ฮะชุนึเดี๋ยมีความสุขก็มีควาสุขยงเอาใครยมาฟังครึ่งชั่วโมง ฮะลูงลุสาทร า, สาสบกูเลยพ่อพ่อมีกูเลยเอามานั่งพูดนาครึ่งชั่วโมงคึ่งชัโมงเอามานั่งนั่งนั่ ง, น, งนั่งตามสบายคัตาบายก็ได้พระเพียรก็ได้เอาว่ากัไป อ้าวใครมานั่งๆฟังๆอันนี้ไม่มีใครสอนนะผเคยดูนะทวกเสียงดูไม่มีใครสอนอนะันนีอ้าวฟังังนั่งรับตาะไ ร, รับตาใครมาทัวที่ไดีันมาบอกให้ น, นั่งรับตาชิดเทธรรม นั่งหลับตาไป่เห็นอะไรเห็นเห็นทุกคนอิจกวเห็นอะไรเรื่อยไปนะเราจะเห็นธรรมะเห็นธรรมะต้องนั่งหลับตามาถัวมงไทยต้องนั่งหลับตาถ จ, จะเห็นธรรมะการปฏบัติคือการเดินทางมรรคคือหทางเดินเดินทางไปไหนเดินทางไปสู่ความพ้นทุกข์คนเราเนี่ยต้องวินว่าแต่เกิดจุดราเวลา ไม่กิดแตคนเนคนยเดียวนะทุกคนที่เปสัตไปอะไรบ้างแล้วแต่บาปกรรมทำไปเนี่ยคนเรียกวัตตะสงสารเสียนไว้จะเกิดทุกทุกเรื่องยากนีแล้วไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยภัยอะไรใลายทั้งหมดยวัตตะมันเกิดพราะข้าตายหมดทุกธาตทุกธาเกิดแลตายเกิดแล้วตายตายเกิดอคูว่าจารย์ฝปฏบัติเนี่ยเห็นการนี้แล้วก็ท่านถึงไป อาทางไปพ้ทุกข์การปฏิบัติคือการเดินทางเดินทางไปสู่ความพ้นทุกข์ออกจากวัฏฐ์นี่สำคัญตรงนี้ถ้าเราไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้พบพุทธศาสนาไม่ได้มาปฏิบัติธรรมไม่มีทางได้ออกวัฏฐ์ยิ่งว่าจะเกิดเกิดเกิดนับชาติถ้วนโลกแตกแล้วแต่อีกอืมเพราะฉะนั้นถ้าในฐานะที่เราเกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาได้มาปฏิบัติธรรมนี่โชคดีที่สุด เราจะได้ทางหาทางออกตมุทตะได้เอาอาตมาก็จะชี้ทางให้เดินถ้าเดินนั้มาเป็นหลักสูตตายตัวนั่นเดียวอานาปัติเป็นกรมรมฐานหลักฝ่ยวิปัสสนาจะนิยมว่าเดินปัญญาก็ไปเลยพร้อมเลยหลักสูตรปัญญาตีปัญญาตีนี่ไม่ตงลงลกรบก็ใครได้จุดนี้ใครเข้าจุดนี้จุดนี้ได้อ่า นะเฮสกายทิฏฐิได้ความเห็นว่าเราเป็นเราของเราเนี่ยน่าได้อยู่ในโลกได้อย่างสบายเลยทัศนคตีในชีวิตเปลี่ยนเลยอยู่อย่างสบายมองเห็นโลกเนเรื่องสมมุตินะมันไม่จริงไม่จริงอ๋อเริ่มเดนเริเ่มเดินทางการบไปคือการเดินทางมักคือหนทางมักบักแปดยอมมันก็จะสามสิสมาธิปัญญาย่อมมันก็เป็นสติสมาธิปัญญา เราต้องเดินทางการจะรักใเด้ต้องเดินทางตงนั้นถ้าเข้ามัดเท่านั้นเองไม่มีทางอื่นพระเจ้าบอกว่ามัดไปป่นเส้นทางเส้นเดียวทางสายเอกเป็นไปของบุคคลแต่คนูเดียวงั้นอ๋อต่อไปเงรสติสมาธิปัญญาอ่า การเดินทางนจะเล่าเรื่ทางทางเดินในฝางก่อนในสศูรมีว่าพระสารีบุตรเป็นเอตตะค่าในทางปัญญากับพระปุณณามัณฑนิบุตรเป็นเอตตะค่าในทางนักเทศพระสารบุตรก็ถามพระปุณณามัณฑนบุตรว่าทางไปนี้ผ่านไปทาไหนพระปุณณามัฑนิบุตรบอก เมื่อนกับว่าเราจะเดินทางจากเมืองสาบถีไปเมืองสัเกตไกลเบี้ ย, ยพเพื่อสองมือในห่างไกลองใช้รถมาที่เนจะ็ดพัดขึ้นรถมาพัดแรกมันหมดแรงก็ต่อพัดที่สองต่อพัดที่สามั้งจนทั้สุดพัดที่เจ็ดจึงจะถึงเมืองสัเกตนะจันใจอยู่ฉันนั้นการเดินทางไปในภาณเหนอจากเป็นปกติเป็นพลชุนทั่วทั่วไปเนี่ยต้องเดินทางถึง คือลดทั้งเจ็ดธาตที่หนึ่งหรือว่าสีละวิสุทธ์คือสี เ, เองยอมไม่ได้เป็นสติสติประทานนั่นน่ะกายเวทนาจิตธรรมแล้วอา ก, กายซะก่อนเอา ก, กายเป็นเครื่องกกอะมีจิตก่อ น, นเรียกวสติลดภาริสสองจิตวิสุทธคือสมาธินั่นเองสมาธิก็ต้องมีกรรมฐานเราใช้ลมหายใจเป็นกรรมฐานหลักลดพาริสสามหรือว่า ทิฏฐิวิสุทธ์คือปัญญาเลย อ, อปัญญาก็ต้องมีกรมรมฐานด้วมือนเราใช้ธาตุสี่เป็นกรมรมฐานหลักเราลดปฏิสีเรื่องกังขาวิตระหนัตวิสุทธอันนีม้มีใครอธิบายได้ชัดเจนทุกคนไม่มีอาจารย์ไหนก็ไม่มีอธิบายคือว่าจะต้องเดินทางจะต้องเอาทั้งสติมาที่ปัญญามารวมเข้าให้มันทํางานรากกิเลสที่ ว, ว่าเข้ามัดโจทัดเข้ามัดจะต้องมัดมันเต็มที่ รวมเป็นหนึ่งเลยที่เรามักมังคีรวมเป็นหนึ่งเขาปลูกทานุติได้ณจุดนั้นน่ะกิเลสอากายยิติกิเลสตัวแรกจะดับไปนี่เรียว่าจบปณิธานในพุทธศาสนาเรียกว่ายาตะเป็นยาถึงจุดนี้ไม่ตกหลง ล, ละจิตถึงจุดนี้นะถ้าเราทปาปฏบัติจนถึงจุดนี้ได้ไม่ตกหลงเราจิตจะพัฒนาต่อไปสูงมรรคนิพพาน ก็ปัญญาทีแล <player> ้วญยโทญาเอกบอกมันผลักดันไปเองนี่เพราะถ้าใครได้ปิญญาทีถือว่าเกิอบำไม่เสียช้าเกิดแล้วเราสามารถจะออกจักวาตาได้อย่างแน่นอนเลยไม่ต้องโวยวายท่เกิดไม่นับช้าไม่ถูกตอนนี้เราจะเดินทางกันรถคันที่หนึ่งสติอ่า จิตประอบที่บริบปายท่ที่กายบริบปายิีมุกเนี่ยกายตั้งอยู่ในลักษณะดได้ให้ทราบชัดในลักษณะ น, นั้นไม่ต้องเห็นภาพจิตปะกอไว้บริบปายทีมูกแล้ทำาสตุกลมเด่ยวหัวลงไปเท้าเลยได้เท่าไรเอาเท่านั้นนหะไม่ต้องเคลื่อนจิต ด, ดก็เป็นการดีแต่ถ้าอยากจะเคลื่อนจิตลงก็ได้ขึ้นขึ้ น, น, นลงลงก็ได้แต่ขึ้นขึ้นลงในกายเท่านั้นอ้าไปทีอื่นเท่าไห การจะดีกานาโคตรจะไม่คิดถึงการนอกอะไรหมดคิดถึงกายที่ตั้งอยู่ที่ไหนนะแล้วเป็นสติกา ย, ยายต้องพนาสติปัฏฐานที่แรกเราต้องเอากายก่อนนะไม่ได้นจิตทำอยู่ในพนะไกล เราจะขึ้นรถปฏิสัมภารเลยขี่ทางอุจิที่ดูหนทางเลรถปฏิสาคือสมาธิห น, นึ่งเราก็ต้องไีกับกรรทานเราใจลมหายใจมันกรรมฐานหลักจีตมาเกาจิไปจนถูกเกิดไปนึกถึงลงมหายใจก็ออกหรุผ่านบุญไปจนหมดเเวลาหายใจเกไม่ต้องนึกตามลมหายใจเก ้วจะออกมานจะนักตามลงมาให้แจ็อกนึกอยู่ที่ประเด็นปลายทางจมูกแค่หนงเดียวยามประคองจิตอย่าผูกสรางอยเคริบหลับให้กุลไม้ใจก็ออกหลุไปที่มุขเข้ารู้รูผูกแต่เข้ารูออกรูตัวรู้นี่คือตัวจิตตัวรู้นี่คือตัวสมาธิแต่ตัวรู้นี่เกิดขึ้นลอไม่ได้ต้องรู้อยู่ในลงมาใจลไมาใจชัดตัวรู้ที่ใจชัด หมดลงไปที่ก็ออกหดไปที่มกเขาลูกรู้ทาไปอัานต่อไปเราจะเอาสติกระจายที่มูลเขา เพื่อเป็นทานทุรัเดินพัญญาต่อไปหัวต่อนี่สำคัญเล ย, เยถ้าเราไม่ทำหัวต่อนี่ทาปัญญาไม่ได้สมาธิเมื่อนีเป็นพักเป็นพวงอ๋อจิตประกอบจิตบริบายจ ม, มูกนึกถึงกายตงหู้าเพสตินึกถึงลงม่ายใจเข้าออกบริบายจ ม, มูกซอนเป็นสมาธิทั้งสองอย่างผู้เองเ กายชัดเขา่ากายชัดออกกายชัดหรือถึงกายชัดถูดูเท้ทาได้ตัวแรเวงเท่นั้นกายชัดเขา่าเขา่มมเขาหรือถึงลมหายใจเข่ากายชัดหรือกายชัดออกหรือลมหายใจออกกายชัดเขา้ากายชัดออกอทำ ท, าท่านสติ ท, ท, าทําสมาธิสับกันไปสรับกันมาเหมือนกับทางว่าเราไปยืด อ, อยู่ที่ สาะน้ำ uh. ก ER, ็ะาน้ำไม่มีดบัวใหญ่เดบานอยู่ดอกตาและจ้องอยู่ที่เกสรดบัวแต่ในขณะเดียวก็เห็นดบัวทุกใบซออนดีั้ยันใดชั้นนั้นแล้วนนรไม้จะก็อโบลไปจมูในขณะเดียวก็รู้สึกว่ากายมคุมซ้อนอยู่กับรูปไม้ใจนี่แหละกายกายชัเท่ากายจะอกไ่กายทัดหรือกายจั เขาอึ้งตรงเข้ากายชัดหนึ่งกายชัดออกอึ้งจะกสับกันไปสมาก็ลงไปใจกับกายหนุนลไปจะออกผูงความสากายททาตรงวหันทาเไม่สูกลางที่บุรินไปชมนบุพเดนกายัดเข้ากาออกทำไป จะเดินปัญญาสินี่ปัญญาคือการเห็จริงตามสภาพความเป็นจริงเห็นอะไรกายกับใจใจเลยยกก่อนเอากายจลมให้ใจซ้อนอยเนี้ยว่าดูเรื่องกิเลสก่อนกิเลนโบกิเลสมันมันมาบอกว่าเราเนี้ยเป็นกายที่ตาัวรงเท้าไม่ลู้ให้ใจมาเกาเอานะ มันบอกว่าเป็นเราเป็นของเราเนบอกนี่มองคนอื่นเพีงนอกก็เป็นเขาของเขาปูงแต่งต่อไปเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายปรงแต่งสูงต่ําดำดเขามองรายละเอียดต่อไปปูุงแต่งต่อผิดงามไมงามปูุงแต่งต่อผิดเอาความรักความชังอื่นอะไรก็ได้เอาคิดเลยเธอทําลยเถอดไปแ้วรักกันก็แต่งงานกันชังก็ทะเลาะกันอื ทำต้องบุญทำต้องบาปเป็นทุขเป็นทุกข์ตายไปเป็นสวรรคเป็นนรกวินงว่ายใจเกิดวิชาของการเกิดแล้วจะเดี๋ยววิชาของการเกิดจากไหนก็เกิดจากการที่เราคิดว่ากายมันคนเป็นเราของเราอันนี้ทะลุสักกายทิฏฐิเป็กิเลสตัวแรกเลยที่จะดึงสักไว้ในวัตถุพระเจ้าจึงให้มาคิดใหม่ตามความเป็นจริงกายนี้ความจริมันเป็น เป็นสภาวะสี่สภาวะรุมเข้าอย่างเหมาะสมสภาวะแข็งเรียกวาธาตุดินสภาวะเหลวรียกวาธาตุน้ำสภาวะร้อนเียก่าธาตุไฟสภาวะเคลืนไหวเรียกาธาตุลมกะพัวเรื่องแข็งแมกนั้นธาตุดินอ <Quiz S 2> าากระมือใหญ่น้านั้นธาตุน้าจะบตุ่นอุ่นนั้นธาตุไฟ ลม ใ, ใจเคลื่อนไวหวหายใจเขา้าหายใออกเคลื่อนไหวหัวใจเต้นตึกๆึกึเคลื่อนไหวเลือดฉีดล่าไปทั่วตัวเคลื่อนไหวเอ็นธาตลมกายมากองธาตุสี่ดินแข็งน้ำเหลวไฟร้อนลมเคลื่อนไหวไมิศิสัตวม์มิจบุคคลไม่จิเราบิเรากองธาตุสี่ดินน้ำไฟลมคิดที่นี้ เวลานี้คิดว่าวกายเป็นกองธาเนี่ยความเปลาเราต้องหายไปเลยเป็นกองธาีุจริงๆเดียวอาจารย์ฟ้านบอกไม่มีพระไม่มีแนไม่มีผู้หิงไม่มีผู้ชายชื่อเราไม่มีลในก้ในขอไม่มีลมีแต่กองธาเนี่ยเวลานี้กายตั้งอเนี่ยเป็นกงธาตไม่มีเราของเราหมดอะนี่นี่คือปัญญาเริ่มต้น ปัญญาเกิดจากการฟังเรียกอ่าสุตตะมัจาปัญญาฟัางแร้วมาคิดหดูแลนี่อยู่ในระหว่างคิดเรียกว่าจิตตะมยปัญญาแล้วว่าคิดดได้ยอยู่ในกระบวนการคิดคิดว่ดการกองท่าที่ดินแข็งน้นําเหลวไฟร้อนลงขึ้นไ ว, ว้ษษิจิตต์ไม่ควไม่จะเราไม่จิตของเราเพิงท่าที่ดินน้ำไปลง ไม่มีพะไม่มีเดชไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายไม่มีในกอง ม, ม่ในกอชื่อและหมดางไม่มีเมีมสุทฐานานาภูนี้ความจริงคือกองท่าเต็นตั้งเนี่ย น, น, นั่นนี่คือปัญญาต้ทาควาเขียน เราคนหนึ่งใจเป็กองทาเสความเบลวาาไปเลย่สภาพวัฒนาเลยแจะสภาพวัฒา์ที่มันเป็นทาเสีนี่กายใหญ่เ้าหุน่นทาเป็นกองทาเสียลมหายใจทะลุ ก, กายในกายหรือกายส่วนใยมันก็เป็นทาเสีเหมือนกั น, ม น, นลมายใจทธาเสียไงลมหายใจมันมีน้ำหมักสัมผัสได้ จิงเป็นธาตุดินมีความแข็งอยู่นิดนึงเอาไปรอที่ปลายเส้นามุยี่ยมันน่ันสัมผัสได้นั่นแคือความแข็เนิดนึ่งเป็นธาตุดินลมไม่จาบชื้นม่อน้จิง้งเป็นธาตุน้ำลมไม่จับอุ่นอยู่เป็นธาตไฟลมไมจับเคลื่นไหวจิ้งเป็นธาตุลมลมไมาจับเป็นธาตุเสียงิงทีเดียวไม่ต้องสงสัยให้ใจเข้าเธอสียเข้าให้ใจออกเสียออก ลักษณะของธาตนั้นแปลปวนเสื่อมสลายไม่เที่ยงไอเ้เจาอะซีเกิดยดคือดับไออกีเกิดหดับมเหน็น้จังทุกขออ์นาตตาไอจังรู้มไม่เที่ยงเกิดดับอย่ตดทุกขังมนต้องดินเนียหยุดไม่ได้ยุ่ไรแต่กระจายนะั้นอนตามันไม่มีตัวไ ม, ม่ตนมันเป็นเฉพาะว่าทำดินงนรุงชุกคาอาแต่ในฐานะที่เป็นผนู้ิ้จน เราต้องเอาอณิจจังอจติ ก, ก่อนทุกขงังอนัตตาคงคุมก็คื อ, คอจังก่อนออออกำหนดลมหายาาใจ ก, ก็อ อ, อ, อ, อกมวยปลมกฮะาก็อทฤีเกิดดับจกทฤีเกิดดับเข้าเห็นเร่องนี้นนีคปัญญาเนี่ยกายที่ตังในตรงนี้เท่ า, างามีลมหายใจมก็อ อ, อกเ น, นี่ยมันไม่ได้คุมันจะลองทาทีกดับนี่คือปัญญา เป็นรถปฏิสามต่นไปแล้วขึ้นรถปฏิสีปฏิสีต้องเอาทั้งสติสมาธิปัญญารูปเข้าเรารู้อะไรเป็นสติอะไรเปนสมาธิอะไรเป็นัญญาอันนี้เขาเรี่มรรคเบื้องตน้นหรือสัจจญาณ ย, ายางังทากี่เดนไม่ได้ยังรักกี่เดือนไม่ได้ สติอย่งเียวก็รักิเลสไม่ได้สมาธิย่งเียก็รกิเลสไม่ได้ปัญญาอย่างเดียวก็รากิเลสไม่ได้ต้องให้ทั้สามอย่างมารวมกันทางานร่วมกันเป็นทีเบิกจึงจะรักิเลสได้อันนี้เรียก่ามรรคผสมะเรียกว่ากิจจาให้มันทำกิลกิเลสได้แตต้องทามรรคผสมทาให้หมดวันหมดเดือนหมดปีหรือตลอดชีวิตต่างทั้งกำลังมันเต็มที่ มองสต no ิเต็มท no ี่ก ah ็มองสมาธิเต็มที uh ่ก yeah. yeah. ็มองปัญญาเต็มที่รู้ปหนึ่งื้วไปนี่เข้าไปถึงฐานอจิตตยสนิทเลยทีนี้นี่ณจุดนี้าเรียกว่ามัคสังขีมัคัขีครั้งแรกเรียกว่ายถาปูตังญาณทัตตนังเห็นจริงตามทุกความเป็นจริงบเตในพุทธศาสนาที่เรยกตาปัญญาไม่ตกกันทิงทีเล ก็จิดจะเดินทางเข้าสู่มรรคผลนิพพานต่อไปขนะดนี่เราก็มาทามรรคผสมคนเรานี่คิดได้ทีละอย่างแตสามารถคิดของสามอย่างให้รอยในห้วงความคิ ด, ดย่อมทาได้ต้องผูดสเปียร์ต้องผูดส เ, เปียร์มาหนาเต็มกอยนตกรสางใบดึงมาเมื่อเดียวโยนไปที่หนึ่งไปโยนมปที่สองไปโยนไปที่สามไปไปมไป่ที้ตกมาเ ม, ม, ม, มื่อลักตัวไป ไว้สองตกมามือร so, ับโยนใหม่ไปที่สามตกมามือรับโยนไใหม่ถ้ากลองสามใบลอยอยู่กลางอากาศไม่ตกดินโดยใช้มือมือเดียวฉันใดฉันนั้นคิดได้ทีละอย่างแต่สามารถของสามอย่างให้ลอยอยู่ห่วงความคิดยังทําได้อ้าวมันทำมรรคผลมาัวนี้สำคัญตัวนี้นะเดินเข้ามาก็เนี่ยไม่คิดอะไทั้งหมดเลยตัดความคิดออกทั้งหมดทิ้งใดที่เรา ได้ยินได้ฟังมาเป็นธรรมะต่างๆเขาต่างกันตาตอบสให้มาดูที่กายกายใจความจริงของจริงนีนะ่ลืมตาอะไวลืมตาจิตระกอบู่ที่บนปลากจมูกเห็นนึกกายกี่ตั้งใหงัเท้านี่คือตัวสติของจริงนะดูลงให้ใจเขาออกบนบนปายจมูกเห็นไหมเขาออกเอา ข, า ข, าขาออกเนี่ยนี่คือตัวสมาธิ ไอ้กายไอรลมเนี่ยมันไม่ใช่เรา ม, มึเราไม่ใช่คนไม่ใช่เราห ม, มึเราเป็นธาตุี่เกิดดับนะ้นไอ้จเขาเดสีเกิด ด, กดับไอ้เจสุีเกิดดับนี่คือปัญญาเห็นจริงๆ เ, เนี่ยไม่ต้องคิดเลยนะ ไ, ไม่ต้องมีมโนมาแล้วจบวนี้ธรรมะที่เราฟังทุกบทะสมบูรทนั้นตัดทิ้งออหมดของจริงกายกับใจสีนเนี่ยชั ด, ชดๆเลยเนี่ยเนี่ยเห็นนั่นนะ น, นี้หลับตาถ้าหลับตาเราจะเดินมั้ มือกาะบริบูรณ์ไปจมูกนึกถงกายแต่เท้ัววง้าได้ท่นั้นไม่ต้องไปบังคับจนเกินไปถ้าตัวหัวตั้งเท้าี่ยนึกกายนึกถึงลมเข้าไม่ใช่เราตักกายร็ไม่เราตันั่งดูไปทีเนี้ยคิด่ตเนี้ยคิดแค่น้คิดอยู่ที่บริบูรจมูกกนเ ใครๆก็เห <entscheiden> ็นทุกคนนั่นเองใครจะทำได้ทุกคนนะเห็นไหมนี่คำไปเรือยๆทำเรื่มมาเขาลม่มใจจะเข้าไปแผลเป็นภายในจิตจะเดินไปภายในลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปจนกำลังเต็มที่ไปถึงฐานขอจิตหือตัวสมัททีเต็มที่ในฐานของจิตมันักตืงว ความขอเราของเรากิเลสตรงนี้ก็าไปหรือแต่ความไม่จินไม่จริงไม่จงกายไม่ใช่เราอเรามันชาสดับความจริงเป็นแน่ให้เราของเราไม่มีระหมดนดิ้กิเลสจะละได้ตงเนี้ทำมะพุทโธ สมบูรณ์ไปสมบูกายให้เชเาให้เราสถิติกดับกายเรห้เราสถิติ ก, ด, ด, กดับนั่งดูนแค่ดวันดเดืมดปีไดูแค่นี้จนวางจะลงไปถึงฐานพลไปจบในสถิสกายที่ติดับไม่จกเด น, นี้ เราจะไมทำชั่วจาถึงเป็นบาปตกรุ่งวันนี้เรื่องุกข์ก็ตามไปจิตมันก็พ้ไปหมดทั้กาย มเข้ามันจะเาทั้งี่ระดับกายลมออมันจะเราทั้งสี่กระดับนั่งดูไปเนี่ยทหมดวันหมดเดือนหมดปีฤักที่กะทำจนกระทั่งมันลงไปทังใต้ทัึกเลยประทับตึงไปเลยสกาย ท, ทความหมเรเเราของเราก็าดับไป ภาพต่างที่มีการท้าทาได้นทุกว้อ๋อบ๊วยเลยเลยคุทาสมเลยเลย แล้วก็พยายามกลาทำสมาธิอย่างเดียวให้จิตมันสบายขึ้นแล้วสมาธิดีขึ้นเลยคือการมคิดทงลมายใจอย่างเดียวดทั้มหายใก็ออกวนไปช่วงมูกช่วทองปลาอกเหนือสดืจุดดจุหนึ่งสมมว่าลมหายเจมันผ่านเข้าผ่านออกนั้นจุดนั้นจุดเดียวที่เราสบายใจคมรู้ลมหก็ออก เอาลูกรู้พูเองเข้าลูกลุ้ทไปฮะลุ้พูยัอ่ะเนี่ยทางเดินจบเยี่ีมันากอะไรูปะ อยากจากจิตสันนิษฐจะลงถึงตาสิฐานนั้จิตนั้นันยากลมักต้องทให้มักจเจริญให้มักเทานันเ่ายมากแต่ก็ยาก <c oughs> ยากพบความจริงมกักรจะรักเกลยให้เราเองท่านนี้พุทธเจ้าคุพภพอันนี้เป็นสถาโกโพธิญาณานั้นเองใครคิดด้วยเองไม่ได้ใครคิดเพี้ยนบดเวลานี้ รักกี่เล่ ไ, ไดคิดรักตน้นรักตันไม่ ไ, ได้เป็นบูหานั่นนะเนี่ยมาตนจะรักก่ลได้ได้ตัวมันเองโอไง <laughs> <laughs> ง่ายนดเดียว <laughs> แต่คนไป็นใจคนทางเองไม่มีใครสอนฮะ huh? นนะใช่ต้งองทำทสาตัวมันจะรักกิเได้ตัวเดียวมันรักกิเลสไม่ได้งั้นท้องตราไม่มีใครสนอนสอนได้เต่เอ้าวมาอาไปหอ 哎哎哎，乌鸡排和乌鸡排。哎，有光头，有光头，有光头。啊，有光头，有光头。啊。啊。啊，谁啊？哦，我。 อยู hmm. no uh, ่ o านแล้วปวดได้ไดหลังปดาปวดอะไร ช่วยเลยช่วยเลยไม่ดีมั้ยยิ่งฟังตั ว, ตวนั้นยไม่ดนะั่่ชละฮะเด เ a นเด็ดนะเเสนเดดีความสุขนะโยมเสนเด็ดนะมีควมสะเอาไปแลครับเีวาครับคนไปกูนะมควาดลายศนะ คือไรฮะคืออะรคออรคืออะไรคยออะไรคืออะไรคืไรคืออะไรคืออะไรออะไรคืออะไะไรคืออะไรคืะคอรคไมคทออะไครคืครออะไรคืออไือไรคืออะรคืะไรออะออะไรรไไไอะะไรอ นี่ับ